เรือนสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลารวมทั้งทางสถานีวิทยุ ก, กระจายเสียงแห่งนี้ท่านสาธุชนที่ฟังเป็นประจำก็คงจะคุ้นเคยกับธรรมะที่ทางรายการนํามาฝากท่านสาธุชน ปกติแล้วก็จะเป็นเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคลโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งท่านบรรยายไว้ในโอกาสต่างๆทางรายการก็จะนำธรรมะนั้นออกสู่ท่านสาธุชนเพื่อที่จะได้เป็นข้อคิดและหลักธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ทั้งความรู้ทั้งในส่วนของหลักปริยัติวิธีการปฏิบัติ และรวมทั้งผลของการปฏิบัติด้วยวันนี้ก็เช่นเคยอัตมาภาพก็จะได้นำตำนานของคาถาพาหุงหรือบทถวายผ่อนพระแต่ที่สาธุชนรู้จักกันดีก็คือบทสวดพาหุงทั้ง8บทนั้นมีความเป็นมาอย่างไรซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ตอบปัญหาเรื่องนี้ให้แก่ พุทธศาสนิกชนที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเนื่องในการอบรมพระกรรมฐานประจำปีได้รับฟังกันจึงขอเชิญต้นสาธุชนมาสดับรับฟังตำนานหรือความเป็นมาของพระคาถาพาหุงหรือบทถวายพรพระโดยพร้อมกันณนะบัดนี้ก่อนอื่นก็จะขอเรื่องต่อปัญหาสกก่อน ที่มีผู้ถามปัญหาม า, ามีผู้ถามปัญหามาครับในวันนี้คุณสินชายสินภัยบู์ถามปัญหามาอยากจะทราบถึงบทแปลและบรรยายของบทสวด ที่เรียกว่าพาหุงที่เป็นการแสดงวิธีการเอาชนะมารทั้ง8ของพระพุทธเจ้าว่ามารนั้นชื่ออะไร อ, อ๋อมีมหากาเลยก็คือมหากรุณานานาโถเลยนะแต่ว่าก็ถามมาก็จะว่าบทพาหุงก่อนอยากจะทราบว่า มารทั้งแปดของพระพุทธเจ้าว่ามานนั้นชื่ออะไรเป็นใครมีอิทธิฤทธิ์หรือปัญญามากแค่ไหนพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะมารทั้งแปดได้โดยวิธีใดสาเหตุที่ถามเพราะเป็นบทที่ใช้สวดของพระสงฆ์ก่อนอาหารเพนทุกวันที่วัด น, นี้ดังนั้น้ายาทยมได้รู้ว่าพรพระท่านสวดอะไรก็คงเป็นประโยชน์อย่างมาก มีคนเคยแนะนำผมว่าสวดมนต์ที่บ้านให้สวดบทพาหุงมหากาพูดให้มันเต็มเลยนะมหาการุณิกามหาการุณิมหาการุณิโกนาโถหรือว่าสวดชินบัญชรได้ด้วยจะเป็นการดีอย่างมากในชีวิตสวดมนต์ที่บ้านสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นพอจะรู้เรื่อง แต่สวดบทพาหุงกับมหากานี่และชินบัญชร น, นั้นไม่รู้เรื่องเลยเอากล่าวโดยสรุปว่าถามคำแปลและเรื่องราวของบทพาหุงว่ามีคำแปลและเรื่องราวหรืออีกในหนึ่งคือตำนานว่าอย่างไรสวดแล้วก็คงจะว่าดีอย่างไรนี่คงจะประกอบด้วย ี่กล่าวโดยสรุปคำถามว่าทำนองนี้นะก็มีผู้แปลไวัตตมาก็จะขออ่านให้ฟังเลยบทนี้ทั้งบทเลยง่ายดีไม่ต้องอธิบายนะบทนี้เขาเรียกว่าพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทถวายพรพระ พรก็คือความประเสริฐก็พูดยังง่ายๆบทยกย่องพระพุทธเจ้านั่นแหละโดยยกเอาข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ปราบมารสามารถเอาชนะมารต่างๆได้สำหรับพระเจริญพระพุทธมนต ซึ่งมีเกือบจะทุกครั้งแหละถ้าว่าเป็นบทเจริญพุทธมนต์ที่เป็นมงคลแล้วก็ใช้บทนี้เป็นประจำด้วยเสมอก็จะอ่านให้ฟังละ อันนี้เขามีคำอธิบายก่อนที่จะถึงคำแปลว่าในการสวดมนต์บูชาพระนั้นควรจะสวดคาถาถวายพรพระด้วยทุกครั้งไปหมายถึงบทนี้แหละเพื่อขอพรต่อพระพุทธรูปที่ที่บูชานั้นนี่หมายถึงว่าในพิธีนะในพิธี น, นี่นี่เขาเขาแสดงความเห็นไว้นะเพื่อขอพรต่อพระพุทธรูปแต่ความจริงน่าจะว่าขอพรต่อพระพุทธเจ้า แต่หากมีพระซึ่งสร้างขึ้นออนี้หมายถึงการสร้างพระนะในการสร้างพระเนี่ยเขาจะความจริงเขาไม่ควรเรียกว่าสวดควรใช้คําว่าจเจริญพระพุทธมนตรควรใช้คําว่าจเจริญพระพุทธมนตรถวายพรพระนะเขาบอกว่าถ้าหากมีพระซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบรรจุดวงชะตาเช่นพระประจําวันพระชัยวัดหรือพระที่สร้างด้วยกิ่งโพคือแกะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุดบรรจุดวงชะตา ใส่ไว้ในฐานพระไว้สำหรับจักรระบูชาจําเป็นต้องสวดค า, าถาถวายพรพระนี้จะช่วยปัดเป่าอุปัติทวันตรายต่างๆให้ช่วยเจริญในลาบยศมิได้ขาดสายนี่เขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้หมายถึงว่า เ, เรื่องราวของการสร้างพระนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็รับฟังไว้เพื่อเป็นข้อมูลว่า การจเจริญพระพุทธมนต์บทนี้มีคุณค่าสูงนะมีคุณค่าสูงอา้าวที่นี้ก็จะเริ่มต้นในเรื่องราวละเพื่อจะตอบปัญหานี้ว่าเขาว่าอย่างนี้นะอ่านตามเข้าไปเลยนะถ้ามีอะไรเล็กๆน้อยๆก็อาจจะแถมหรืออาจจะเติมหรืออาจจะอบอกให้ทราบนะเขาบอกว่าคาถาถวายพรพระทั้ง8ดบทนี้ ทรงพระคุณลำค่ายิ่งนักถ้าได้สวดมนต์ไว้เป็นนิจสินจะคลาดแคล้วจากภัยต่างๆบังเกิดลาบสการะมงคลเป็นที่รักที่ชอบแก่คนทั้งหลายบทพาหุงดำเนินความตามความหมายว่านี่บทที่หนึ่งนะเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระจนด้วยพญามาราธิราช ผู้ซึ่งมีฤทธิ์นิรมิตแขนออกได้มากถึง 1,000 พัพญามา น, นีก็คือท้าววัศวดีนะนี่ต้องบอกสักก่อนชื่อว่าท้าววัศวดีเป็นจอมเทพอยู่ชั้นปรินิมิตตะไ่พูดเรียกยากอยู่ชั้นปรินิมิตตวัสวดีคือเป็นจอมเทพชั้นที่ห นี่นะแต่ก่อนก็มักจะเรียกกันว่าท้าววัศวดีมานแต่ว่าจอมเทพนี้เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชคือภายหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จพระรุณิพานไปร้อยกว่าปีนั้นได้มีพระเจ้าอาโศกมหาราช ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมากภายหลังจากที่ได้ทำสงครามปราบผู้ที่กระด้างกระเดืองอะไรมากมายแล้วก็มาเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้สร้างสถูปถึง 84,000 ันแห่ง หรือแี่พองค์นี่นะอย่างนี้แล้วในขณะที่สร้างนั่นแหละนั่นสร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุขณะที่สร้างนั้นนั่นแหละท้าววัดีมานนะ่ในครั้งนั้นนะที่เคยประจนพระพุทธเจ้าแล้วในครั้งนั้นนะกลับมาประจนพระเจ้าอาโศกมหาราชนี่อีกในการสร้าง พระสถูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสถูปองค์ใหญ่ที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจนสร้างไม่เสร็จสักทีมีปัญหาอยู่เรื่อยมีปัญหาอยู่เรื่อยจนต้องอาศัยพระอุปคุตมาช่วยปราบท้าวสวดัดีจนสิ้นพยศนซึ่งนี้ก็มี พระพุทธดำรัสพยากรณ์ไว้เหมือนกันว่าท้าววัสวดีนี่ต่อไปอีกภายหลังเสด็จจะเสด็จปรินิพานแล้วร้อยกว่าปีนี่ก็จะมีพระมหาเถระหมายถึงพระอรหันต์เนี่ยปราบมานี้ได้สําเร็จแล้วก็ท้าววัสวดีมานี้จะกลับเป็นสัมมาทิฐิแล้วอธิษฐานจิตบําเพ็ญบารมีเป็นพระปัจเจเพุทธเจ้า และเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนี่เท้าวัสวดีตอนนี้ไม่ต้องเรียกว่าเท้าวัสวดีมานนะเป็นจอมเทพอยู่ชั้นหกเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังอยูนะอ่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเราจึงไม่ต้องเรียกว่าเท้าวัสวดีมานนะเรียกเท้าวัสวดีเฉยๆจอมเทพนะ ทีนี้ก็จะอ่านละที่เขาบอกว่าผจชนด้วยพยามาราธิราชก็หมายถึงท้าวสวดัดีนะอ่านม่อีกทีนะเมื่อสมเด็จประสัมมาสมพุทธเจ้าทรงผจชนด้วยพยามาราธิราชผู้ซึ่งมีฤทธิ์นิรมิตแขนออกได้มากถึง 1,000 พนี่ในในเนื้อความบทพหุง น, น่และถืออาวุธครบทั้งหนึ่งหัดขี่ช้างมีชื่อว่าเคริเมฆคละ พร้อมกับเสนามานยกกันมาล้อมพระพุทธองค์พร้อมกับโหร้องด้วยสำเนียงอันกึกก้องนี่คำแปลออกมานะเรียบเรียงไว้หน้าพิลึกสะพึงกลัวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตพญามาราธิราชกับพ ล, ลมานทั้งหลายด้วยสงครามวิธีคือพระบารามีทมมีทานบารามีเป็นต้น ขอเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลนี่แหละพาหุงสหัดเนี่ยสหัสนะครับหนึ่งพันั่นแหละพาหุงสหัดสมีสมปรินีมิตรสาวุธันตังเนี่ยนะคิริเมฆลัะน่ะขี่ช้างชื่อคิริเมฆละหรือเมฆนะเรียกว่าคิริเมฆละพร้อมด้วยเสนาแมนนะแล้วก็ทรงชนะได้ ด้วยพระบารมีธรรมมีทานบารมีเป็นต้นขอเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้จงบรรดาให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลนี่นะเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้านี่เมื่อถึงปรมัตาบารมีแล้วนี่จึงมีอนุภาพมากเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ก็ถ้าจะดำเนินชีวิต มุ่ตรงต่อมรทผลนิพพานก็ต้องบำเพ็ญบารมีเหมือนกันซึ่งวันหลังจะเล่าให้ฟังเรื่องบารมีหรืออาจจะมีพระอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งท่านจะเล่าให้ฟังก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็อาตมาก็อาจจะเล่าให้ฟังบทที่2บทมาราดําเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระจนด้วยพญายักษ์ชื่อว่าอาลวกยักษ์ ซึ่งเป็นยักษ์ที่เต็มไปได้วยความกระด้างกระเดืองปร า, าศจากอธิวาสนาขันติทรงเสียงร้องอย่างน่าหวาดเสียวโดยไม่ย่นย่อตลอดทั้งคืนยิ่งกว่าพญามาราธิราชสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตอารวกยักษ์ด้วยพิธีทรมาณอันดีด้วยพระขันติอันเป็นบุพ ภ, ภาคแห่งพระเมตตา เดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงดลบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลนี่คือว่าอาระวักยักษ์เนี่ยยักษ์ชื่ออาระวักกะทําทความวุ่นวายแก่พระพุทธเจ้าไม่น้อยเท่เดียวโ ว, วยวายว่าอย่างนั้ น, นพระพุทธเจ้าทรงชนะด้วยพระขันติเนี่ยขันติบารมีเนี่ย ความอดทนอดกลั้นนี่ทรงชนะอารวักยักษ์ด้วยพระขันติอันเป็นเบื้องต้นแห่งพระเมตตาใช่ไหมขันติบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีนีน่คนเราจะมีเมตตามันต้องขันติ ใครก็ทำอะไรเราก็ต้องอดทนอดกลั้นละเมิดล่วงเกินเราต้องอดทนอดกลั้นแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งเมตตาเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าจเจริญไปแล้วเป็นอาวุธอันคมกล้าที่จะชนะบุคคลที่มีจิตใจชั่วร้ายได้ทีนี้บทที่สามนาลาคิริงเนี่ยเขาเรียกบทนาลา ดำเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงประจนด้วยช้างอันประเสริฐชื่อว่านาลาคีรีในขณะที่เกิดบังเกิดอาการตกมันและเมามันยิ่งนักหยาบช้ากล้าแข็งประดุดเพลิงป่าและจักราวุธขวานฟ้าคือร้ายกาศมากช้างตกมันช้างตกมันนี่นั่นแหละ พระเทวทัตนั่นแหละให้ปล่อยช้างตัวนี้มาทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงพิชิตช้างนาลาคีรีด้วยพิธีการอันทรงรดด้วยน้ำก็คือรดด้วยน้ำพระไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาก็แปลว่าเอาชนะคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างที่จะปองร้าย แม้แก่ตนเองเอาชนะด้วยน้ําใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาอันนี้ให้จําไว้พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะด้วยน้ําพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาบารมีนั่นแหละนั่นเมตตาบารมนะีนี่เอาชนะได้ขอเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลจงดลบรรดาให้เกิดสิสวัสดิ์ชัยมงคลเพราะฉะนั้นบทสวดแต่ละบทหรือบทเจริญพุทธมนต์แต่ละบทนี้ เป็นบทที่แสดงถึงพระบารมีของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้าแต่ละอย่างละอย่างที่สามารถจะเอาชนะสิ่งชั่วร้ายได้นี่น่ะเป็นอย่างนี้เอาต่อไปบทอุคิตขะขะักอุคิดตขะขัดํำเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจนด้วยโจรผู้ซึ่งมีพวงดอกไม้ร้อยด้วยนิ้วมือคน น, an, นั่นคือคือ <Yeah. S 1> องค์คุลิมานนั่นแหละประจนองค์คุลิมานเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจนด้วยโจรผู้ซึ่งมีพวงดอกไม้ร้อยด้วยนิ้วมือคนอันตัดเอามาร้อยสวมคอไว้เป็นผู้ที่หยาบช้ายิ่งนักมีฝีมือชํานาญในการใช้ดาบเป็นอาวุธถือดาบเงื้อเนื้อแล่นตามพระพุทธองค์ไปมุ่งหวังจะทํำร้าย สิ้นระยะทางสามโยต์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตโจรร้ายผู้นี้ด้วยทรงกระทําอิทธิปาฏิหารนี่ทรงแสดงอิทธิปาฏิหารเหมือนกันนะเมื่อถึงคราวคับขันนะพระพุทธเจ้าปราบธรรมดาไม่ได้ทรงใช้อิทธิปาฏิหารเหมือนกันเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดังกล่าวนี้ขอจงดลบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ชัยมงคลอิทธิปาฏิหารก็คือว่า พระองค์สเสด็จพระดําเนินเฉยๆไปเฉยๆเนี่ยแต่ว่าองค์ุลิมาลไล่ตามไม่ทันเหมือนกับองค์ุลิมานี่วิ่งอยู่กะที่หรือว่าวิ่งวิ่งตามอยู่นั่นแหละไม่ทันสักทีนี่อันนี้เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ที่ทรงแสดงเพื่อปราบพยศองค์ุลิมาลได้สําเร็จนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้อง บำเพ็ญบารมีไปก็จะเกิดอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันมีทั้งอิทธิปาฏิหาริย์ที่ตั้งใจกระทาและปาฏิหาริย์อันเกิดแต่บุญบารมีเพียงแต่กระดิกจิตนิดเดียวก็เป็นนั่นเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าชั้นสูงนะอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เป็นต้นอ้าวต่อไปบทกัตตว่า ดำเนินความตามความหมายว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขวัญด้วยนางกินจมานวีกาผู้ซึ่งได้กล่าวถ้อยคําอัญญาบช้าและสําแดงอาการดุดมีคันกับพระพุทธองค์ด้วยเหตุที่กระทําด้วยไม้รูปกลมๆประดุจ ด, ดังว่าเป็นบุตรอยู่ในอุทรประเทศสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตนางกินจมานวีกาด้วยพระสมาธิบา ร, รมีอันงามคือทรงระ ง, งับพระหฤทัย และพระวาจาในถ้ำกลางแห่งชนทั้งหลายเดชะแห่งพระพุทธชัยมงคลดางกล่าวนี้ขอจงบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิ์ัยมงคลนางจินจามานวิกาเนี่ยไปรับจ้างพวกเดียรถีพวกเดรถีมันอิจฉาอิจฉาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอิจฉาพระพุทธเจ้าว่ามีลาบสักการะมาก มีคนเคารพ บ, บูชานำพัตนาหารหรือปัจจัยสีมาถวายมากมายทำให้พวกเดรถีพวกนอกศาสนาปฏิบัติแปลกๆบางคนก็เดินแก้ผ่าบางคนก็ห้อยอะไรอินุงตุงนังพวกที่คำพรก็เดินแก้ผ่าไอ้พวกโอ้สารพัดแหละพวกแขกนี่นะก็หวังว่าจะย่างกิเลส ก็ทำแปลกๆบาๆบาบบอแต่ว่าประชาชนก็ทำไมโง่เกินไปก็เมื่อเห็นพระพุทธสาวกแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นอันว่าต้องกลับมาเริ่มใสศรัทธาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทำให้พวกรัรถีเจ็บแค้นไม่รู้จะทำยังไงก็จ้างนางจินจมานวิกาให้ไปแกล้งไปแกล้งทำเป็นท้อง ตื่นเช้าก็ให้เดินออกมาจากสถานที่ใกล้ๆกับที่พระพุทธเจ้าประทับเนี่แล้วก็แกล้งเดินแต่เช้าเช้าให้คนก็โจ์กันว่าเนี่ยมาแต่กุฏิพระพุทธเจ้านี่มันทำกันถึงขนาดนี้มา น, น่ะมันถึงขนาดนี้แล้วตอนหลังๆต่อมาก็ยังทำเป็นท้องเอาไม้ทำกลมๆห่อไว้ทีนี้ก็ ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่นัน่นแหละนางจินจมาณวิกาก็มายืนแสดงคล้ายๆกับแสดงว่าแม้ก็นี่นะจนจนลูกนี่จนมีลูกในท้องแล้ว ย, ยังไม่รับผิดชอบอีกทำนองนั้นเออไปนั่งแสดงธรรมอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละนี่แหละทีนี้ด้วย บาปอากุศลอย่างแรงกล้าที่กล้าทำกับพระพุทธเจ้านั่นแหละก็บรรดาให้สัตว์ก็คือหนูหนูวิ่งเข้าไปกัดไปกัดไอ้เชือกที่ผูกผูกไอ้ไม้อ่ะแล้วก็เอาผ้าคลุมๆไว้อะเหมือนมีท้องอ่ะหนูมันวิ่งจูดเข้าไปกัดเนี่ยนี่มันโดนบันดานนะ่ะอาจจะเป็นหนูเทวดาก็ได้อนะ แปลงกายเป็นหนูวิ่งเข้าไปกัดเนี่ยเพราะไอ้หนูตัวโตๆเนี่ยถ้ามันวิ่งขึ้นไปกัดแกต้องสลัดออกแน่ยังไม่ทันกัดหรอกไอ้นี่มันต้องเป็นหนูเทวดาจำแรงกายเป็นหนูเนี่ยเข้าไปกัดกัดแคจนหลุดลุย่ยอ้าวมันกลายเป็นไม้ทั้งท่อนลงมานั่นแหละก็ได้เรื่องกันเลยแต่ว่าขณะที่ไปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงท่าเหมือนกับเป็นเมียว่างั้นเถอะไปแสดงท่าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะด้วยพระสมาธิคือสงบสงบกายสงบวาจาไม่ว่าอะไรไม่โตไม่ตอบแต่ว่าตรัสสั้นๆตรัสสั้นๆนะว่าน้องหญิงเรื่องนี้นเรารู้กันสองคนเท่านั้นนะตรัดเท่านี้แหละเออแหมที่ได้ใจใหญ่ยิ่งพูดนั่นนะสิเจ้าข้าอะไรก็ว่าก็ไปสิเนียด่าปัดปัดปดปัดค่ะ ว่าซะหนักเลยแต่หารู้ไหมเนะ่ยว่านั่นนะพุทธองค์เนะี่ยทรงสแสดงว่าไอ้ความจริงนะ่ยมันรู้กันสองคนเท่านี้นะในในที่ประชุมนี้อนะน่ตรัสนะ่ะเป็นความจริงนะ่ยไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่ว่ารู้กันสองคนคือว่าเป็นเรื่องในที่ลับมันไม่ใช่นะมันรู้กันสองคนก็ว่าแกโกหกนะี่ยน่ะ ไอ้ที่แกโกหกเนี่ยรู้เธอกับฉันนี่เท่านั้นน่ะคนที่นั่งอยู่นี่เขาไม่รู้หรอกตรัดอย่างนั้นความหมายอย่างนั้นนั่นแหละบาปหนักเนี่ยหนูเทวดาน่ะไปกัดเนี่ยหล่นตุบลงมาที่นี่แหละโดนประชาชนกันเลยทีเดียวแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทรงเอาชนะได้ด้วยทรงระ ง, งับพระหฤทัยและพระวาจาในท่ามกลางแห่งชนทั้งหลายขอเดช แห่งพระพุทธชัยมงคล น, นี้ขอจงบันดาลให้เกิดสิริสวัสดิชัยมงคลนั่นก็เป็นสารธรรมจากตํานานผาหุงหรือบทถวายพรพระที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลโออธิบายขยายความให้สาธุชนผู้ฟังรายการได้รับฟังก็เป็นสารธรรมจากรายการธรรมสุสันตินํามาฝากท่านสาธุชนในวันนี้ ธรรมะในเรื่องนี้ยังไม่จบเลยทีเดียวยังมีบทที่หลวงพ่อจะได้อธิบายขยายความอีกสามบทในช่วงท้ายของตำนานพาหุงนั้นขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมสดับรับฟังได้ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็หมดเวลาลงแล้วขอความสุขความเจริญ และความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทิดเจริญพร